จำหลักการปฏิบัติให้แม่นนะส่วนใหญ่ที่ภาวนาแล้วมันไม่ได้ผลกันมันไม่ใช่ว่าวิธีไหนดีวิธีไหนไม่ดีมันอยู่ที่วางจิตไม่ถูกไม่รู้จักจิตที่จะใช้เดินปัญญาแยกไม่ออกมันมีจิตอยู่สามแบบนะอันหนึ่งเป็นจิตที่เหมือนเหมือนมีสมาธิแต่ไม่ได้มีจริง พวกเครื่มเครื่หรือพวกเครียดเครียดอันที่สองเป็นสมาธิที่จิตแนบเข้าไปในอารมณ์ที่มีความสุขนะถ้าจิตสงบนี่ได้สมถะชนิดแรกนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเลยส่วนใหญ่ที่นั่งกันรุ่นหลังๆจะเป็นแบบนี้นะนั่งแล้วก็เคลิมไปฝันน้นฝันนี้นะนิมิตต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาวันนี้ฟุ้งซ่านออกข้างนอกไปอีก ไม่ก็เคลิมหลับในไปเลยเนี่ยพวกหลับในไปเลยกับพวกฟุ้งฝันออกไปเนี่ยไม่มีทั้งสมาธิทา้วิปัสสนาเพราะอะไรขาดสติอย่างแรงเลยถ้าเมื่อไรขาดสติแล้วเมื่อนั้นไม่มีหลอกศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องมีสติทำสมาธิอยู่ก็ต้องมีสติสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตสงบ จิตแนบไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ไม่ได้เพ่งแรงๆนะคำว่าเพ่งภาษาไทยมันแรงไปคำว่าฌานมันไม่ได้เพ่งอย่างรุนแรงถ้าเพ่งอย่างรุนแรงไม่สงบหรอกมันคล้ายๆแค่มานาสิกานถึงนะแล้วใจไปจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าเป็นอารมณ์ที่จิตพอใจจิตมีความสุขจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่น พาจิตไม่วิ่งพล่านไปสู่อารมณ์น้นอารมณ์นี้จิตจะสงบนี้จะได้สมถะสมถะก็มีเยอะแยะหลายรูปแบบวิธีปฏิบัติเนี่ยนับไม่ถ้วนช้ใชอ้อารมณ์อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นภาวนาพุทโธพุทโธสัมมาระหังนะมะพาทะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดชิตพิจารณากายพิณาสุภะพิณาปฏิกูล ทีจานาความตายอะไรต่ออะไรเนี่ยพิจารณาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นเรื่องใช้อารมณ์บัญญัติทั้งหมดเลยก็ทำให้เกิดความสงบได้มีความสุขอารมณ์อันที่สองที่ใช้ทาสมถะนั้นก็คืออารมณ์รูปนามตรงนี้คนที่บอกทำวิปัสสนาวิปัสสน า, นาแต่ไม่เป็นวิปัสสนาจริงมันจะมาพลาดตรงเนี้ย คือไปรู้อารมณ์รูปนามแล้วเป็นแนบอยู่ในอารมณ์รูปนามเช่นไปดูท้องพองยบนะจิตแนบลงไปอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยไปรู้ลมหายใจจิตแนบอยู่ที่ลมหายใจไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยเห็นหั้ยตัวท้องก็เป็นตัววัตถุเเป็นตัวรูปตัวลมหายใจก็เป็นตัวรูปหรือเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนนะว่าเพ่งเดินจงกรมว่าเพ่งร่างกายทั้งร่างกายบ้างเพ่งอยู่ที่เท้าบ้าง จิตแนบอยู่ในอารมณ์เดียวนึกว่าเป็นวิปั ส, สนาไม่เป็นหรอกวิปั ส, สนาไม่ใช่แค่รู้อารมณ์รูปนามวิปั ส, สนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปั ส, สนาเพราะงั้นที่นึกออกไหมที่นักปฏิบัติจํำนวนมากเขาทํากันบางคนทุ่มเทนะหลายสิปีเลยทําไมมันไม่ได้ผลอันแรกเลยเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้นั่งแล้วเคลิ้มบ้างนั่งแล้วเครียดบ้างนั่งแล้วก็ฝันไปบ้าง ไม่มีสมถะไม่มีวิปั ส, สนาไม่มีสตินั่นแหละหรือสติแรงเกินไปนะไจ้องบังคับใจจนเครียดเลยนะสติแรงเกินไปนะถ้าเคลิมไปฝันไปอะไรนี่ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะนักปฏิบัติเยอะเลยที่เป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็ไปดูรูปดูนาำแต่เพ่งรูปเพ่งน้ำจิตแนบอยู่ที่เท้าแนบอยู่ที่ท้องแนบอยู่ที่มือแนบอยู่ที่ลมหายใจนะแนบนิ่งอย่างนั้น นี่เปจิตถึงจะรู้อารมณ์รูปนามก็จริงนะแต่เป็นสมถนะสมถะอีกชนิดหนึ่งก็ใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะมรรมนั้นการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยนะจริงๆไม่ยากเท่าไหร่หรอกมิใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่คิดคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นปฏิกูนาสุภาอะไรย่างเงี้ยคิดเอานะ นีอารมณ์บัญญัติอันที่สองอารมณ์รูปนามเพ่งลมหายใจเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งมือนี่เพ่งรูปเพ่งนามทํำยังไงเพ่งนามเช่นไปเพ่งอยู่ที่จิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถะเห็นไหมเพ่งรูปก็เป็นสมถะนะเพ่งนามก็เป็นสมถะที่ว่าดูจิตดูจิตนัพวกหนึ่งที่ว่าดูจิตนันไม่ได้ดูจิตออกไปเพ่งเฉยเไม่เดินปัญญา ยิ่งไปคิดนะว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญหรอกทอํายังไงให้จิตเลิกปรุงแต่งได้แล้วก็บรรลุมรรคผลได้นี่เป็นความเข้าใจผิดจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งขึ้นมันล้วนะไปบังคับให้มันนิ่งมันว่างความนิ่งความว่างก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ปรุงแต่งงั้นไปประคองจิตนั้นะไปคิดว่าต้องอยู่กับสุญญาตาหรือ ประคองไม่ให้จิตปรุงแต่งแล้วก็จะบรรลุมรคนิพพานนี่เป็นความเข้าใจผิดความปรุงแต่งมาจากอาวิชชาไม่ใช่มาจากจงใจจะแต่งหรือจงใจไม่แต่งนะลำใดยังมีอวิชชาอยู่จิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ไม่เลิกหรอกนะงั้นอยู่ๆก็ไปนั่งนึกเอาเองนะศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำนะรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ให้ปรุงแต่งแล้วก็บรรลุมรคนิพพานบรรลุไม่ได้เพราะนอนทับอวิชชาอยู่ จะล้างอาวิชานั่นแหละต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาล้างไม่ใช่บอกไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็บรรลุมรค น, นิพพานเห็นไหมสิ่งที่ผิดนะั้นมันเต็มไปหมดเลยนะถ้าเพ่งไปเพ่งจิตนะัจะไปอรู้ประชานบางคนไปเพ่งความว่างอยู่นะเป็นอรู้ประชานที่หนึ่งชื่ออาการสานัญจายตนะบางคนไปเพ่งตัวจิตประคองจิตนะหรือบางทีก็ไปเพ่งตัวผู้รู้เพ่งจิตกับเพ่งผู้รู้ยังไม่เหมือนกัน เพ่งจิตนั่แน่นิ่งอยู่กับจิตไม่ให้เคลื่อนไหวเลยส่วนการเพ่งตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเห็นสภาวะอันหนึ่งแล้วมีผู้รู้พอไปดูผู้รู้มันจะเกิดผู้รู้ซ้อนไปเรื่อยที่วิญญาณอันใจยตนะนะในตำราถึงสอนบอกว่าวิญญาณเป็นอนันนั้นต์คือตัวรู้นั่นเองตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเลยบอกวิญญาณเป็นอนันนั้นแม้ดูจิตก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวิปัสสนานะ ดูจิตดูไม่เป็นจริงๆก็เป็นสมถะอีกไปเพ่งความว่างเรื่องอากาสารนันใจ ย, ยตนะไปเพ่งจิตเรื่องวิญญาณันใจ ย, ยตนะเพ่งจิตยังแยกได้ ash, สองแบบหนึ่งประคองจิตประคองนิ่งเลยนะอีกอันหนึ่งไปดูผู้รู้แล้วก็เกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยๆวิญญาณเป็นอนันต์อย่างที่สถ้าทำรรมารูปนะอย่างที่สดูจิตไปดูจิตไปไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างนะ เอาความไม่เอาอะไรเลยไปยึดอยู่ในความไม่เอาอะไรเลยนะี่ชื่ออากินจัญญายตนะอีกอย่างหนึ่งไปดูจิตนะแล้วจนกระ Nations ทั่งพอมันไปอยู่ในอากินจัญญายตนะนา น, า น, านไม่ไอ้นนท์ไม่ยึดไม่นี่ไม่ยึดนะจิตมันรู้อารมณ์ที่ละเอียดมากอารมณ์ที่ว่างแทบไม่มีอะไรเลยจิตพอละเอียดมากเนะี่ยกำลังของมันตกลงไปนะมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายความรู้สึกตัวออกไปจนกระทั่งเหลือความรู้สึกนิดเดียวนะเหมือนเหมือนจะไม่รู้สึกนะ รู้สึกเหมือนอนจะไม่รู้สึกนะเป็นเนวสัญญาณาสัญญาญตนะบางคนบอกตัวนี้ประณีตมากเลยแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูจิตผิดนะไปอารูปดูกายผิดเพ่งรูปไปเพ่งรูปก็ไปรูปประชาญไปเป็นรูปประมไอ้ดูจิตซึ่งเป็นนามนธรรมถ้าดูไม่เป็นนะดูแบบไปเพ่งจิตเข้ามันก็ไปอารูปประชานไปเป็นอารูปประม ไม่ใช่ทางเดินของมรรคผลนิพพานเลยนี่สมาธิสองอย่างนะสมาธิเล่าไปแล้วสองชนิดชนิดหนึ่งสมาธิไม่เอาไหนเลยนั่งแล้วเคลิ้มขาดสติหรือไม่ก็เร้าสติแรงเกินไปเพ่ยงจนเครียดนี่พวกหนึ่งพวกที่สองมามารู้รูป ร, รู้นามนะมาเพ่งรูปเพ่งนามก็ได้เพ่งอารมณ์บรรัญญัติก็ได้รู้นิพพานก็ได้ แต่ให้จิตแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีสติอยู่มีจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะกรรมฐานนี่ตรงสมถะกรรมฐานต้องรู้ทันว่าตอนนั้นทำสมถะอยู่ถ้ารู้ไม่ทันนะก็จะหลงไปเป็นรูปประพลบ้างรูปประพบ้างจิตจะเป็นถ้ามันเป็นแนวนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจิตที่แนวนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเรียกว่ามันมีอารมณูปนิชฌ การที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชฌานะสมาธิชนิดอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั้นเลิศเลยเป็นสมาธิที่ใช้เดินปัญญาล้วนๆเลยนะเป็นสมาธิที่ในตำราเขาเรียกลักขณูปนิชฌานะเป็นลักเป็นจิตที่ตั้งมั่นเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเพราะฉะนั้นจะเดินปัญญาเนี่ยต้องรู้รูปนาม ต้อรู้อารมณ์รูปนามแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามอันนี้สมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เนี่ยเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะลักขณูก็คือลักษณะเนี่ยนะลักษณะไตรลักษณ์นั่นเองสมาธิชนิดนี้จะไม่เหมือนสมาธิอย่างที่สองที่จิตเข้าไปแนบนิ่งอยู่ในรมที่มีความสุขสมาธิชนิดนี้ มันตั้งมั่นอยู่นะแต่มันไม่ไหลเข้าไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวเจะสภาวะที่เกิดคือจิตมันจะถอดถอนตัวเองออกมาถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมเห็นปรากฏการของนามธรรมปรากฏการทั้งหลายนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ให้ดูต้องถอนตัวออกมาให้ได้ตอนนี้คนที่เรียนเรียนกับหลวงพ่อนะทำตัวนี้ได้เป็นหมื่นหรือมั่ง ที่จิตมันถอนตัวออกมานะเริ่มแยกธาตุแยกขันเริ่มเดินปัญญาถ้ายังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานนะยังไกลทําแต่สมถะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีมรรคผลนิพพานหรอกมีแต่รูปประฌานอรูปฌานไปรูปประพรมอรูปพระพมนะถ้าทําสมาธิผิดขาดสติไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะหรือเพ่งอย่างเครียดนะภาวนาแล้วเครียดจัดนั้นะตกนรกทั้งเป็นอยู่แนละนะ้นั้นไม่ได้เรื่องเลย นี่จิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูค่อยถอนตัวออกมาต้องฝึกนะบางคนยินรีแก่กล่าแล้วเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆพอมหัดภรวนาไม่นานนะจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พอจิตถอนตัวออกมาแล้วมันจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตยอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยร่างกายที่แยกกับจิตออกมาเนี่ยจะแสดงใจรักได้ จะเห็นเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเวทนาแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเวทนาก็จะแสดงไตรลักษณ์ได้เห็นสังขารที่เป็นความปรุงแต่งของจิตปรุงดีปรุงชั่วมันแยกออกไปอยู่ต่างหากไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนานะไม่ใช่จิตแยกออกไปพอมันแยกออกไปแล้วจะเห็นในสังขารนั้นเช่นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสงบ ศรัทนะธาวิริยะสติอะไรต่อไเนี่ยสมาธิปัญญาเนี่นี่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆเฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างนะล้วนแต่แสดงความจริงไม่มีตัวเรานะสภาวะมีแต่รูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ออกไปตลอดนะเพราะจิตมันแยกตัวออกมาได้แต่ถ้าจิตไม่แยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูมันจะคลุกอยู่ด้วยกันไม่เห็นไตรลักษณ์ งั้นเราต้องฝึกนะจนกระทั่งจิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะข้าวัดไหนก็ตามนะท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้เต็มไปหมดเลยนะไปวัดไหนก็พูดคาว่าจิตผู้รู้นะพอภาวนาย่อหย่อนลงมามกลายเป็นเรื่องนิมิตหมดนะคุยแต่เรื่องนิมิตนะนักปฏิบัติรุ่นหลังๆเนะี่ยนั่งแล้วเห็นโน่นนั่งแล้วเห็นนี้ภาพภูมิใจซึ่ง ไม่ได้ประโยชน์ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์เลยจิตก็ไม่สงบจริงด้วยนี่นเราฝึกนะให้จิตของเราเป็นผู้รู้ให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ทํำยังไงค่อยๆใช้ทําใจสบายก่อนขั้นแรกอย่ารีบร้อนทุร น, ท, รนทุรายที่จะเป็นผู้รู้ถ้ารีบร้อนทุรนทุรายจะเป็นผู้รู้มันไม่เป็นหรอกมันจะฟุ้งซ่าน ทำใจให้สงบทำใจให้สบายก่อนเพราะงั้นจะเริ่มต้นจากสมถะก่อนก็ได้นะอย่าพุโทโธพิจารณากายอะไรก็ได้นะเป็นสมถะทั้งนั้นนะพิจารณาความตายอะไรก็ได้ให้ใจสบายใจสงบพอใจสบายใจสงบนี่เรียกมีสมถะเป็นฐานแนละนะ้ค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตซึ่งสงบอยู่นะัเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ค่อยๆสังเกตตัวนี้ งั้นถ้าเดินมาจากการทำสมาธิทำสมถะมาก่อนนะมาสร้างผู้รู้ง่ายเกิดผู้รู้ได้ง่ายไม่ยากอะ่ะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่ๆจะไปหาผู้รู้มันหาไม่เจองั้นทำใจสบายถ้าเราทำสมถะเต็มรูปแบบไม่เป็นขั้นแรกทำใจสบายไปก่อนอย่ารีบร้อนใจใจสบายไหมเนือใจหนีไ่หมดเลยฮะ ใจสบายหนีเที่ยวนี่เราจะฝึกให้ได้ผู้รู้นะทีแรกทำใจสบายกันไม่รีบร้อนไม่ลุกรีบรุกรนที่จะให้เกิดผู้รู้ขึ้นมาทำใจสบายหายใจไปนั่งนะแนะนำให้นั่งนะนั่งดูไปหรือคนไหนถนัดเดินก็เดินเดินดูไปนะ ถ้านั่งอยู่ก็เห็นในร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายกระพริบตาใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเหลียวซ้ายแลดขวาใจเป็นคนดูนะแต่ถ้านั่งแนวหลับแบบน้ไม่ได้ไม่ดูนต้องตื่นนะรู้สึกตัวแล้วค่อยๆแยกไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกแยกไปด้ย ไม่นานก็เป็นหรอกฝึกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงเป็นแล้วล่วนะคนทั่วๆไปไม่ยากอะไรหรอกไม่ยากพอแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูทีแรกแยกได้แป๊บเดียวนะจะเข้าไปรวมกันอีกจิตกับกายเข้าไปรวมกันใหม่เข้าไปรวมก็ไม่ต้องตกใจทําใจสบา ย, น, ย, นะา ย, าย น, นั่งดูไปเรื่อยๆหลายๆวันนั่งดูไปเรื่อยเจดวันหวันเจ ว, วันอะไรเงี้คยค่ฝึกไปไมนะ่จะเห็นมันแยกออกไปอีกพอแยกออกมานะอยู่ได้ชั่วคราว เข้าไปรวมอีกเข้าไปรวมดูใหม่นะดูไปอีก3วัน4วันอนะไรเนี้ยก็แยกอีกพอนะมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมนะเนี่ยฝึกแยกเข้าแยกออกนะมันเป็นเงี้ยมันแยกเองไม่ใช่ฝึกแยกนะฝึกรู้ลงไปรู้ลงในกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายพยักหน้าเนะี่ยเห็นใจเป็นคนดูดูอย่างสบายๆห้ามเครงเครียด ถ้าเคร่งเคลียดจะกลายเป็นการเพ่งกายทันทีเลยนะจะไม่แยกตัวรู้ออกมาแต่จิตผู้รู้จะเข้าไปแนบอยู่ในร่างกายเพรา ะ, ะั้นต้องดูสบายสบายดูเบาๆนะมันถึงจะแยกออกมานะนี่เคล็ดลับมันเยอะนะค่อยๆฝึกหลวงพ่อไปหาหลวงปู่โดนวันแรกนะแล้วและอีกวันหนึ่งกลับกรุงเทพนั่งรถไฟมา จาสุรินทร์นะมาถึงกรุงเทพนะมีแวะโคราชด้วยแวะหาหลวงพ่อพุธพอมาถึงแถวหัวลําโพงนะผู้รู้มันแยกออกมาแว็บเดียวเท่านั้นนะตอนนั้นไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้โอ้มันแยกออกมาดีใจมากเลยนะแล้วแว็บเดียวมันก็เข้าไปรวมเป็นใหม่จิตใจลมกระรูปกะ น, นามทั้งหลายเข้าไปเกาะเปน็นอันเดียวกันหมดหรือเป็นก้อนเดียวกันก็แน่นๆขึ้นมาพยายามแยกอีกพยายามทําอย่างงาน้นพยายามทําอย่างนี้นะ พยายามอยู่ทั้งอาทิตย์หนึ่ง7วันได้พยายามไงมันก็ไม่แยกนะตอนไม่รู้ไม่ได้เจตนาจะแยกอนะ่ะเจตนามาทั้ง7วันแล้ววันที่7หมดแรงแล้วไม่ได้เจตนานะก็แยกออกมาเพราะฉั้นจงใจแยกไม่แยกหรอกพอมันแยกออกมาแล้วนะั้นมันอยู่ได้สองสนาทีหรือ5นาทีจำไม่ได้แล้วแต่ไม่นานนะแต่ไม่ใช่แวบเดียวเหมือนครั้งแรก พยายามอุ้ยหลุดออกมาแล้วพยายามประคองไว้นะหล่นตุ๊บลงไปรวมกันอีกนะฝึกไปอีกนะดูไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อนยะเห็นความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศนะลทั้งหลายเกิดขึ้นใจเป็นคนดูไปเรื่อนยะฝึกอย่างนี้ดูไปดูไปนะประมาณ5วันกนะ็แยกอีกคราวนี้ก็แยกได้หลายนาทีขึ้นนะฝึกไปฝึกไปจนกระทั่งโอ้มันเด่นดวงขึ้นมานะ เนี่ยพมันเด่นตัวงเราก็ไปดูอยู่ตัวนี้นะประคองไว้ฝึกอยู่สามเดือนนะตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาก็ประคองตัวรู้ไว้ไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ดูลนึกว่าท่านจะชมนะหลวงปู่ผมเห็นจิตแล้วนึกว่าจะดูอยู่ได้เห็นจิตแล้วจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดาร น, นะมันเป็นอย่างโน้นมันเป็นอย่างนี้มันปรุงโน้นปรุงนี้นะ มันเข้าไปรวมการลมก็ได้มันแยกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมฝึกนะมันแยกออกมานะ <c oughs> ละวหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลย้ันไปยุ่งกับอาการของจิตทั้งหมดเลยให้ไปดูใหม่นี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะหลวงพ่อนะ่สอนละเอียดยิบเลยถ้าเป็นเปรียบเทียบนะคล้ายๆคนโบราณที่ป้อนกล้วยเด็กอะนึกออกไหมเอาช้อนขูดๆนะอา้อ า, อาปากอางำ่ำ <c oughs> อ้าปากอ้าปากนะหพ่อก็สอนเราละเอียดยิบเลยนะเพราะพวกเราในเครื่องย่อยไม่ดีฟันฟังไม่ดีถ้าสอนให้ไปทำเองไปสู้เองคงมีคนเอาไม่กี่คนหรอกพวกเราใจอ่อนใจอ่อนนะตามกิเลสมากไปไม่ได้คิดจะต่อสู้จริงจังถ้าสอนแบบครูบาอาจารย์รุ่นก่อนคงไม่เอา น้อยเต็มทีนะเราต้องแจกแจงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบก่อนนิสัยขวงคนยุคนี้จะเห็นภาพรวมทั้งระบบก่อนแล้วรู้ว่าจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วจะได้อะไรอย่างนี้ถึงจะยอมขนาดยอมแล้วยังทําบ้างไม่ทําบ้างเลยใช่ไหมมีใครปฏิบัติเด็ดเดี่ยวบ้างมีไหมยกมือให้ดนะูปฏิบัติเด็ดเดียวคือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไปเลยนะ ยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องชิดนะแต่เวลาบางครั้งเหนื่อยมากๆก็ต้องพักเหมือนกันนะสมัยก่อนหลวงพ่อพักด้วยกันไปซื้อนะ่าสือการ์ตูนมาอ่านอย่างงี้พักเหมือนกันพักช่วงครั้งช่วงคราวพอใจสบายขึ้นมามาดูดต่อเนะี่ยภาวนาเข้มงวดกดขันกับตัวเองมากเลในการฝึกตัวเองมีวินัยอย่างมากเลยจะว่ามีวินัยมันก็ไม่เชิงนะมันมีฉันทะมากกว่า คือพอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะั้นมันสนใจอะรู้สึกก็แปลกนะจิตอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรไเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะสนใจจิตมันทำอะไรได้แปลกๆอาการก็ประหลาดๆเยอะแยะเลยปรุงน้นปลุงนี้ได้แปลกๆมันรู้สึกสนใจที่จะรู้ที่จะดูนะอาศัยฉันทะนี่เองก็เกิดวิริยะขยันรู้ขยันดู พอขยันรู้ขยันดูนะจิตใจไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตใจจดจ่อกับการรู้การดูนี่คือจิตตะนะเวลารู้เวลาดูนะเห็นสภาวะอะไรเกิดนะใจก็ค้นคว้าใครคลวนวนเวียนอยู่ในสภาวานะนั้นไม่หนีไปที่อื่นเลยนะนี่เรียกว่าวิมังสาเนะี่ยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานะจะขยันภาวนาโดยที่ไม่ได้เจตนาหรอกนะไม่ได้บังคับตัวเองวินองวินัยอะไรไม่ได้คิดถึงทั้งสิ้นเลย แต่พวกเราบางทีฉันท่ามันอ่อนหลวงพ่อถึงบอกต้องมีวินัยในการปฏิบัติอย่างน้อยบังคับตัวเองต้องปฏิบัติถึงเวลาต้องปฏิบัตินะแต่ถ้ามีฉันท้าแล้วไม่ต้องบังคับนะมันดูของมันทั้งวันทั้งคืน น, ะนอนอยู่ยังดูเลยนะไม่อยากนอนเลยนะกลางค่ำกลางคืนจําเป็นต้องนอนออกเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานจําเป็นต้องนอนถึงยอมนอนนะไม่งั้นมนะันสนใจจะตามรู้ตามดูนะทั้งวันทั้งคืนนะ ต้องปลูกใจให้มันมีฉันทะนะมันภาวนาค่อยฝึกไปไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจเนี่ยมันมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเยอะแยะเลยไม่รีบร้อนนะใจเย็นๆแต่ไม่ขี้เกียจทํายากไหม <c oughs> มันเหมือนคอนทราสต์กันมากเลยไหมถ้าขยันต้องแอคทีฟใช่ไหมนี่แอคทีฟนะแต่แอคทีฟแบบใจเย็นๆเคยเห็นคนตกปลาไหมคนตกปลาใช่ไหม ใจเย็นๆใช่ไหมมวแต่ตกไปพักนึงยกขึ้นดูหม้ายยังหม้ายยังนะไม่มีปลาที่ไหนไมากินหรอกปลามันเวียนหัวแล้วนะใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะแยกกายแยกใจไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งนะให้ฝึกให้แยกไปนะฝึกง่ายๆฝึกสบายๆพอมันแยกแล้วต่อไปจะเห็นไตรลักษณ์เองจํานะจได้ไหมวันนี้สอเนเรื่องอะไร สอนเรื่อสมาธินะสมาธิหลายชนิดนะสมาธิหลอยถ้วยชนิดที่หนึ่งสมาธิที่ไม่เอาไหนที่คนจํานวนมากฝึกกันนะคือสมาธิที่เคลิ้มเคลิ้มขาดสติหรือสมาธิที่เคร่งเครียดสติแข็งเกินไปเคร่งเครียดนะไม่ได้เรื่องนะฝึกไปแล้วไปเพ่งไปจ้องอย่างรุนแรงนะพวกนี้ไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสสนา สมาธิอย่างที่สองนะจิตน้อมไปอยู่ในอารมณ์ัเดียวที่มีความสุขจะเป็นอารมณ์ปัญญตัติคือเรื่องราวที่คิดพิจารณาขึ้นก็ได้จะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามก็ได้นะเช่นดูท้องผองยุบดูลมหายใจหรือดูจิตก็ได้นะจะเป็นอารมณ์นิพพานก็ได้แต่อารมณ์นิพพานนี่พวกเราทําไม่ได้คนที่จะใช้อารมณ์นิพพานทําสมถะได้ต้องเป็นพระอริยะเท่านั้นพระอริยะเทนั้นพระโสดาก็ยังทํายากเพราะไม่ชนานนํานาญในนิพพานนะ ตรงที่จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยจะต้องน้อมจิตไปรู้รูปนามก่อนไปเริ่มที่รูปนามก่อนไปดูรูปดูนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเห็นไปช่วงหนึ่งจิตมันเคยวางรูปนามแนะมันก็วางพอจิตวางรูปนามลงไก็ไปเจอนิพพานนะอย่างที่สองสำหรับคนที่ชํานาญในนิพพานแล้วนะ แค่มานาสิการถึงแค่ระลึกถึงนิพพานนะนิพพานก็อยู่ต่อหน้าแล้วนะจิตก็สงบอยู่กับ น, นิพพานได้เลยถ้าสงบลึกลงไปนะก็ถึงนิโรธสมาบัตถถึงอะไรพวกนั้นมาถึงรุ่นเรานี้ยังไม่เห็นใครทำนะมีแต่นิโรธที่ไม่ใช่นิโรธเยอะที่บอกว่าเข้านิโรธเข้านิโรธนะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเราพูดในเชิงวิชาการนะอย่างทางเหนือเนี่ยมี พิธีเข้านิโรธอย่างเงี้ยทางเหนือเข้านิโรธท่านไม่กินข้าวนะแต่ท่านยังถึงเวลาก็ออกจากสมาธิมาดื่มน้ํออย่างเงี้ยยังเข้าห้องน้ํำยังอะไรนะินิโรธจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันดับดับรูปธรรมนามาทำลงไปหมดนะอยู่เจ็ดวันเจวันรู้สึกแป๊บเดียวนะรู้สึกแป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาหลวงพ่อก็เข้าไม่เป็นนะ นั้นมันมีหลายอย่างนะใช้สมถะเนี่ยใช้อารมณ์รูปนามอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้เพ่งรูปเพ่งนามอารมณ์นิพพานก็ได้เพ่งรูปถ้าเพ่งกายนะก็ได้รูปปัญญาถ้าเพ่งจิตได้อรูปปัญญาสมาธิชนิดที่สามคือจิตตั้งมั่นออกมาถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู เห็นปรากฏการของรูปธรรมเห็นปรากฏการของนามธรรมไหลผ่านหน้าไปเฉยๆจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานั่นแหะจะเห็นปรากฏการทั้งหลายนั่นแหะแสดงใจรักสภาวธรรมทั้งหลายนั้นแหะแสดงใจรักษณ์การที่เราเห็นใจรักษมากๆนั่นเรียกว่าเจริญปัญญาเห็นรูปประธรรมนามธรรมแสดงไจรักคือธรรมวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองบางทีเรียกคําว่าวิปัสสนาแล้วน่ากลัว มือนอะไรที่ยากๆจับต้องไม่ได้จริงไม่ยากอะไรหรอกมีสติรู้รูปรู้นามรู้กาย ร, รู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางดูไปสบายๆจิตตั้งมั่นเป็นกลางจิมแยกออกมาตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นี่แยกออกมานะพอรู้แล้วมันหวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันลงไปอีกนะก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะนั่นเราฝึกนะจนเราได้ตัวรู้ขึ้นมาถ้าพวกเราได้ตัวรู้นี่เรียกว่าเราพอเห็นเงาของพระนิพพานนะ้ มันไม่ไม่เหลือวิสัยละชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อๆไปก็ยังมีโอกาสได้ถ้าไม่ลืมซะ ก, ก่อนเมราะเราต้องฝึกนะจนมันเข้าไปอยู่ในภาษาโบราณนี่เข้าไปในกโมลสน์ดานคือเคยชินที่จะรู้สึกตัวเคยชินที่จะแยกรูปแยกนามถ้าเคยชินแล้วเนี่ยสมมติชาตินี้เราไม่ได้มรรคผลอะไรนะตายไปชาติหน้าเนี่ยเวลาตอนเด็กๆะ เวลามีอารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบนะจิตดิด ต, ตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเองเลยจิตมันจะถอนตัวออกมาเองเลยถอนตัวออกมาแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกไว้นะไม่รู้ก็จะทิ้งมันไปอีกลืมมันไปอีกเนี่ยสังสารวัตมันน่ากลัวนะขนาดภาวนาจนชำนิชำนาญจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ตายแล้วไปเกิดอีกลืมอีกแล้วเวลาฉุกเฉินออกมันถึงจะแยกออกมาเวลาสบายๆก็เผลอเพลินไป น, น่ากลัวสังสารวัตรต่อมาได้ยินได้ฟังคําของครูบาอาจารย์สอนนะว่าอาจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะได้ยินถูกท่านสะกิดนิด น, ดนดหน่อยหน่อยนะแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วก็ลกลับมาภาวนาต่อได้คนที่เขาง่ายเพราะเขายากมาก่อนไม่มีใครอยู่ๆก็ง่ายวิเศษวิโสมา่างไหนหรอกคนที่ทําได้ง่ายเพรเขายากมาก่อน พวกเราบางคนก็ทําง่ายบางคนก็ยากใช่ไหมยากก็อย่าท้อใจนะอย่าขี้เกียจสู้เอาชาตินี้ยากชาติหน้าก็ง่ายแล้วนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาบันนะท่านฟันธงเลยไม่นานแตนะองค์นี้ท่านเก่งมากนะเรื่องยิติปฏิหารท่านบอกไม่นานหรอกไม่เกินเจดชาติหรอกเราฟังก็ตกใจแล้วนะตั้งเจ็ดชาติเนาะ เจ็ดชาติของท่านไม่นานนะท่านนึกได้ยาวเรานึกไม่ได้นึกเมื่อเช้าทำอะไรอยู่ยังลืมไปแล้วอย่าวไแต่จะชาติก่อนหรือชาตินี้ยังนึกไม่ค่อยจะออกอย่างั้นฝึกนะจนมันเข้าอยู่ในใจเราฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วอาจจะได้ในชาตินี้หรือได้ชาติต่อต่อไปก็ยางดีใกล้นิพพานเข้าไทุกวันทุกวันดีกว่าอยู่ห่างๆดีกว่าไม่ยอมเดินนะ เดินวันละเก้าดีกว่าไม่เดินเลยเดินได้2อก้าก็ดีกว่าเดินได้1นก้านะทุกวันเนื้อตั้งใจไว้อย่างนั้นเดินทุกวันถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นอย่ารีบร้อนแต่ไม่หยุดเดินทุกวันนะไม่รีบร้อนนะรีบร้อนหมายถึงอยากได้ผลเร็วๆทําเหตุไปเรื่อยไม่หยุดอนะ่ะมันต้องได้นะอาชเชิญไปทานข้าว